อบิลนายมีนเฉลิมอัุบิลคาลิมาตั้งัอิาญอินนุมวมตับุนมินนิลาิัิลลุมวลิมตับุนมินนิลาิ فلا تعطلون. هرقوه سرورا ليه تكُم. قلنا يا نار كوني بردا รด ن ขุลน ا ย سلام ا على ล ب ر ا ه ي سلام าณอั <ety> وأرادوا َ به ك ي د ا فجعلناهم ل ْ أخسرين. َ ونَجَّينَهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي. التي باركنا فيها للعالمين. بسم ا له ل ا ل ر ح م ن ا ل ر ح ي م إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. م ن ي ه د ِ الله فلا م ض ل ل ه و م ن ي ض ل ل ف ل ا ه ا د ِ ي ل ه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 วะอัลซามิอุลแกลิมร <t varios S 1> ับีดุบ ha! ิลลาฮิรับบะวับลอิสลามดีน่าฟับิมุฮัมมัดิลลัซซลลาัลลัมอาลัยคุมมะรห์มัตุลลอฮฺวับบรากาตุฟินอนคิรักต์ไลค์ครับก่อนอื่นเราต้องชุกรขอบคุณอัลลอฮฺ سبحانه และุอาตาฮฺละที่อัลลอฮฺให้เรามีโอกาสมาถึงบทวันนี้ชั่วโมงนี้ เมื่อคืนนี้เราก็หลับไปนะครับแล้วพอตื่นขึ้นมาต้องนึกถึงความโปรดปรานของอัลลอฮ์ให้กล่าวว่าอัลฮ์ห ah ์มดุลิลลาฮิลลัลลิอัคยานะบะดามะอามาตานะไวลัยหินนชูรต้องขอบคุณอัลลอฮ์นะครับที่อัลลอฮ์ให้เราหลับไปให้เราตื่นขึ้นมา <c oughs> ขอบคุณอัลลอฮ์พี่น้องที่อัลลอฮ์ให้เรามีโอกาสได้มาทบทวนกุรอาน วันนี้มาถึงสุร่ายี่สิบเอ็ดสุราอัลอัมบยาอที่หกสิบเจ็ดนะครับพี่น้องก็ต้องนึกถึงคำสั่งของอัลลอุบาฮาณห์วาตาแล้วเอาล่ะครับวันนี้มาพบกุร า, จานจะนี้ท่านนาบีไปพบอยู่เรื่องลืมเล่า <c oughs> ท่านนาบีท่านนาบีเนี่ยท่านยิบรีนพาไปไปเห็นคนอยู่เห็นอยู่หลายกลุ่มนะแต่เห็นคนกลุ่มหนึ่งที่เล็บเนี่ยยาวทำด้วยอะไรนะทองเหลือง แล้วก็ขวรหน้าตัวเองแล้วควรหน้า อ, อกนบีเห็นนบีก็ง ง, งอ่ะชาวยาจิบรีนี่กลุ่มไหนเนี่ยยุบีนก็ตอบว่านี่เป็นกลุ่มคนที่ชอบนินทาคดชอบนินทาแตเสร็จแล้วไม่ได้เตอบ้าตัวต่อเอาล้นแล้วตายนินทาคนคําว่านินทาอธิบายยังไงพูดในสิ่งที่เขาปฏิบัติซึ่งเจ้าของเขาฟังแล้วเขาไม่พอใจ ถึงจะเป็นเรื่องจริงสวสามิ์ถามถ้าเป็นเรื่องจริงก็เรื่องจริงนั่นแหละถ้าคุณคุยยังไงจะของเขาฟังแล้วเขาไม่พอใจถ้าคุณไปแถมด้วยไปเติมด้วยการเป็นสองบาปหนึ่งิ น, นทาสองนามีมะใส่ความอ๋อยิ่งใหญ่มากครับอทีนี้วิธ <c oughs> ีผมอ่านพบฮะดีสเอกว่า คนที่ใส่ความคนเนี่ยรื้นนามีมะนินทาใส่ร้ายเนี่ยท่านอนุสอธิบายบทท่านอบี๋ยศอย่างนี้ถ้าหากต้องการจากกาฟาร์มาถึงเลิกยกโทษจากการนินทาคนเนี่ยถ้าหากว่าการนินทานั้นน่ะนินทาของเราไปเข้าหูเขาถ้าเรานินทาไอการนินทาของเรานะ่ยไปเข้าหูเขาเราต้องไปขอมาอัพเขาเลยนะ ต้องขับรถไปที่บ้านเขาเรื่องมาก่อนมาดักเจอที่สุราหรือที่ไหนสักแห่งหนึง่งแล้วก็มาขอมาอา้าบว่าฉันขอมาอา้าบท่านนะเรื่องทุงนินทาฉันเล่นทันไว้เยอะมากเลยวริ์มาขอมาอา้าแต่ถ้าหาว่าการนินทานั้นยังไม่ได้ถึงหูคนที่เรานินทาจะเคลื่นแต่ดา่ดาดา่ดากันในบ้านเราเมียรู้ลูกๆรู้แต่ไอคนนินทายัยงยังไม่ได้ยินถ้าต้องการจะเตาบ้าตัวทําไง ให้กล่าวด้อยว่าอย่างนี้ oh, Allah, อัลลอฮุมมักฟิรละนาวาลาหูอัลลอฮุมมักฟิรละนาวาลาหูโอ้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เราและอภัยโทษให้แก่เขาด้วยเถิดแล้วต้องนึกว่า Allah, Allah, อัลลอฮ์อัลลอฮ์อภัยโทษให้ฉันด้วยให้เราด้วยแล้วก็ให้อภัยโทษกับคนที่เรามีทาสด้วยถ้าหากว่าเรื่องนั้นยังไม่ถึงหูเขานะถ้าไปถึงหูเขาต้องอะไรนะ ต้องไปพบเขา้าไปขอมาอา้ถ้าไม่ถึงหูก็ให้อ่านดูอาอัลล์น่าเหนื่อยหมดเล ย, เลยที่ดีที่สุดนั่นนั่งเงียบๆสิกรุล้นอดีกวา่าไม่ต้องไปนินทาใครดา่าใครว่าใครไปน้องอัลลอฮ์อัลบนี่ไม่อ่านฮะดีสมัยรู้เพราะอ่านแ ล, ล้วกลัวอัลลอฮ์อัลบาตฮะดีสมารี่มาใบาฮาตีนะครับ <c oughs> เอาวันนี้มาดูอายะที่หกสิบเจ็ดอุฟฟิ ล, ลกุม วลีมาต عبدون มิน <boot> ดูนอลลอฮฺอัฟลาตักลุนอฟฟิลักุมวลีมาต عبدون มินดูนิลลอฮฺอัฟลาตักลุนอฟอฟพี่น้องเคยได้ยินคาว่าอฟมนแล้วใช่ไหมลูก ใช่ไหมลูกที่พูดกับพ่อว่าตะคอกพ่อแม่ว่าเฮ่ออ uh ่ะเป็นคำที่อัลลอฮไม่พอใจอุฟฟ um ิลละกุมลูกที่ตาหนิพ่อตาหนิแม่ตะวาดพ่อตะวัดแม่และใช้คำว่าเฮ้อเฮ่อเ uh นี่ยคำนี้นะเป็นคำเล็กแต่ว่าโทษมันหนักลวเกินอ่ะ ฉะ น, นนี่อลัลลอฮ์ต้องการจะเล่าวะนะนบีอิบรอฮีมเนี่ยมัสมาต้องการที่จะมาสอนเรื่องเตาเฮต์นะอลัลลอฮ์องเดียวให้เลิกบูชารูปเจวเวตทั้งหมดแต่นบีอิบรอฮีมทําได้สําเร็จบางบางส่วนแต่ส่วนใหญ่ไม่ค่อยสําเร็จเท่าไหร่เสร็จแล้วอลัลลอฮ์กับจำนิเนี่ยจำนีคนอะไรนะคนที่บูชารูปเจ้าเวตทั้งหมดว่าอุ๊ฟิน ล, ละกุมเป็นที่น่ารังเกียจแก่พวกท่าน เฮ้ยจริงจริงสัจตุจริงจริงแย่จริงจริงบ้าจริงจริ ง, ร ง, ร ง, ร ง, รงต้องการจะพูดตรงนี้แหละเหมือนกับภาษาที่ลูกพูดกับแม่แตะคอกพ่อแม่ว่าเอัลลอฮ์ก็ตำหนิคนที่ไปเคารพ บ, บูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอ์สุบฮานหฮูวะตาละคนที่จะเป็นพระเจ้าได้ต้องมีความสามารถอย่างน้อยแปดรายการนะจะเป็นพระเจ้าเนี่ยหนึ่งสร้างชั้นฟ้า สองสร้างแผ่นดินสามสร้างดวงอาทิตย์สีสร้างดวงจันทร์5สร้างกลางวันหสร้างกลางคืนเจสร้างมนุษย์8สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้ถ้ามีความสามารถแต่รายการนี้เชิญเป็นพระเจ้าได้เลยแต่ถ้าไม่มีความสามารถที่จะสร้างรายการเจ็ดแต่รายการที่กล่าวมานี้นะเป็นพระเจ้าไม่ได้มุสลิมไม่กราบ ถ้าจะกราบต้องกราบสิ่งที่ผู้ที่มีความสามารถสร้างแปดรายการที่กราบเมือ่อกี้เนี่ยนั่นแหละถึงมุสลิมจะยอมรับว่าคนนี้เป็นเป็นพระเจ้าจริงแต่ถ้าไม่มีความสามารถน่ะไม่ใช่พระเจ้านะสรุปรสั้นๆนะมีแปดรายการนะมีอะไรบ้างชั้นฟ้าสองแผ่นดินสามดวงอาทิตย์สี่ดวงจันทร์ห้ากลางวันหกกลางคืนเจ็ดมนุษย์ แปดสร้างสปปรรพสิ่งทั้งหลายที่อยู่บนโลกใบนี้นะครับนั่นจึงจะยอมรับให้เป็นพระเจ้าได้นะครับอุฟิลกุมหน้ารังเกียจจริงๆแก่พวกท่านแย่จริงๆสติจริงๆแก่พวกท่านวาลิมาตับูดูนามินดูนิลลาที่พวกท่านไป สักการะบูชามินดูนิลลาอื่นจากอัลลอสุบ ب าน ن ه แวะ ت ع ا ل าทั้งๆที่ไม่มีความสามารถสร้างอะไรได้เลยแม้แต่นิดเดียวนะครับอฟะลาตาติลูนพวกท่านยังไม่ใช้ปัญญาอีกตัวลงว่าการใช้ปัญญาเนี่ยอลัลลอสั่งนะให้ใช้ปัญญามองดูนะครับ คับการใช้เป็นในภาษาอุรุดูอธิบายดีนะแต่ตั้ซีนภาษาอุรดูที่ทันรอรอบิยโตพิมพเนี่ยเขา อ, อธิบายอย่างนี้จะเป็นพระเจ้าได้ยังไงคนจะจมน้ำตายแต่รูปเจอเวตไม่สามารถพูดสักคําเ <c oughs> ข้าใจนะจะจมจะเป็นน้ําจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงมีคนจะจมน้ําตายอยู่นี่ ไม่พูดอะไรสักคำหนึงจะเป็นพระเจ้าได้ยังไงอัลลอฮ์และเมื่อมีมีปัญหามีความเดือดร้อนก็ช่วยไม่ได้เรื่องง่ายๆ่ายแบบนี้อาฟาราตากติลูนพวกท่านยังไม่ใช่ปัญญาอีกหรืออัลลอฮฺอัลกุบะษ์ทำดูลิละละไปน้องอาฟาราตาติลูนพวกท่านยังไม่ใช้ปัญญาอีกหรือเรื่องง่ายง่ายแบบนี้อัลลอฮฺอักบะษ ฉะนั้นเนี่ยอายาเนี้เตือนนะคนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์อัลลอฮ์ตาวาดว่าไงนะอุ้เหมือนกับลูกตวาวาดใครนะตะวาวาดพ่อแม่ลูกตวาวาดพ่อแม่แต่เป็นชาวนารกเลยนะตั้นต้องปรับปรุงต้องแก้ไขฉะนั้นเราต้องอบรมลูกของเราอธิบายเรื่องอุ้นิดหนึ่งนะนะคือลูกมีสองประเภทอลูกเนี่ยมีสองประเภทนะประเภทที่หนึ่ง ลูกที่มีอิสลามมีอีมานนะครับสองลูกที่มีอามันฑิตซอและทำแต่ของดีๆที่อัลลอฮฺสัง่งนี่ข้อที่สองนะข้อที่สามลูกที่อิสติกละยืนหยัดในการทําความดีนั่นสม่สมําเสมอนั่นก็เรียกว่าลู ก, ล, กลูกที่ซอและลูกที่ซอและเนี่ยพุณน้องครับเวลาเขาจะขอดุอาให้พ่อแม่เขาตลอดเวลา ลูกที่ซ้อนแล้วนั้นเขาไม่ตวาดพ่อแม่ของเขาแม่จะคําว่าอุ้ยคือคำเล็กๆน้อยๆ น, นี่นะลูกจะไม่ทําเป็นเดือดขาดไม่ตวาดพ่อแม่ไม่ตะคอกพ่อแม่ไม่ใช้คํำว่าอุ้ยและจะมันขออุทิศต่ออัลลอฮฺสม่าเสมอแล้วก็ท่าทางมารยาทนั่งต่อหน้าพ่อแม่เนี่ยด้วยมารยาทที่ไรนะที่งดงาม แล้วก็พูดภาษากับพ่อกับพ่อแม่เนี่ยพูดภาษาแบบเราคุยกับแฟนเรานั่นแหละที่รักจ๋าคุยยังไงอะ่ะโอ้โหตอนจีบกันใหม่ๆน่ยคุยเพราะหน้าดูเลยแล้วก็ต้องคุยกับพ่อแม่เราแบบนั้นเหมือนกันนั่นเคือว่าลูกลูกที่ศอแล้วลูกที่สอแล้วนี่อุรอาอ่านสั่งนะครับเวลาเขาตายเนี่ยมล า, ายกาจะลงมาจะลงมาที่ที่นอนของเขาก่อนที่เขาจะตายสักสิบนาทีสิบห้านาที มาบอกว่าลาตะคอฟูเวลาตะฮะนูไม่ต้องกลัวแล้วก็ไม่ต้องไปกังวลหรือว่าเป็นห่วงเรื่องข้างหลังคุณไม่เคยไปไปอยู่ในอยู่ในกูบัวคุณไม่เคยไปคุณกลัวใช่มหมไม่ต้องไปกลัวฉันอยู่เป็นเพื่อนคุณและเรื่องข้างหลังที่คุณทำอะไรไว้อ่ะมีภรรยามีลูกมีหลานมีนูน่นมีนี่เดี๋ยว อ, อัลลอจะส่งมาเลกามาดูแลให้ฮาหมุลิลละ ว่าอับดุลเบลยันนะแล้วก็แจ้งข่าวดีว่าคุณจะได้ไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลลอฮ์ سبحانه และ ت ع า ل นั่นเขาเรียกว่าลูกที่ดีตรงกันข้ามลูกที่ไม่ดีอัลลอ์อัลบลูกที่ไม่ดีก็คือลูกจะพูดแบบนี้แหละอุฟตวาดตวาดพ่อตวาดแม่แล้วก็เวลาพ่อแม่เตือนลูกให้นึกถึงอัลลอ์ให้นึกถึงรอซูลให้นึกถึงวันเต็มะ ให้นึกว่าตายแล้วตรงฟื้นเนี่ยลูกพูดว่าแม่อย่ามาคูเลยลูกลูกพูดเลยนะอตาอดานินีท่านทั้งสองเนี่ยขูฉันอันอุรเจเมื่อฉันเนี่ยจะถูกให้ฟื้นขึ้นมาออกมาจะสูสารอีกกันนั้นรึนี่ลูกตาวาเพาะแม่แม่อย่ามาขูดฉันเลยนะ วตาเนี่ยต้องฟื้นฟื้นขึ้นมาแล้วก็มายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์เนี่ยทูงมาชาดะฉันไม่เชื่อหรอกนั่นลูกที่ไม่ใช่ลูกที่สอนแล้วแคนั้นเป็นหน้าที่ของพ่อแม่นะ่จะต้องดูแลเอาใจใส่ลูกของเราเรื่องอัติได้ในเรื่องใหญ่ที่สุดนะนะครับ <c oughs> แล้วก็วาหูมายาสตีซาเนลล่พ่อแม่ทั้งสองนี่นะขอความพยายามขอดูอาต่ออัลลอ์ให้อลัลลอ์ช่วยเหลือเขา นะครับให้ให้ให้ลูกของเขาเนี่ยมีศาสนาแต่ถ้าหากวันลูกไม่มีศาสนานี่นนะว่ายรักความวิบัติจะเกิดขึ้นกับลูกอย่างแน่นอนถ้าลูกไม่มีอ ي มานไม่มีอิสลามลูกไม่มีอามันีิซอและลูกไม่ยืนหยัดในศาสนาลูกที่ตะบาดพ่อแม่ลูกที่ไล่พ่อแม่ลูกที่ไม่เคยขอดุอาให้พ่อแม่นั้นเป็นลูกที่ไม่ใช่ลูกซอและ ถ้าไม่ลูกที่ซอแรกก็ไว้แล้วก็อ่านอธิบายว่าความวิบัติจะเกิดขึ้นกับลูกอย่างแน่นอนฉะนั้นถ้าจะให้ลูกเราปลอดภัยจากการลงโทษจากอัลลอฮ์ก็คือให้มีอีมานต่อ Allah, อัลละ์ให้มีอิสลามให้มีอามันที่ซอแ้วและให้มีอิสติกละมาหมายถึงการยืนหยัดอยู่ในศาสนานี้อย่างมั่นคงนะครับอัลฮัมดุลิลลา์ครับพี่น้องอาอายะแรกนะครับอุฟิลลาฮุ อัลลอฮฺต um, like ้าวัดอัลลอฮฺตํนีเป็นที่น่ารังเกียจอย่างยิ่งคนที่ไปเคารพสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอุฟินลกุมเหมือนกับลูกต้าวัดพ่อแม่ของตัวเองวาลีมาตาบูดูนามินดูนิลละเพราะเหตุใดพวกท่านจึงไปเคารพบูชาสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮฺอาฟาลาตังตีลู เรื่องง่ายๆแบบนี้พวกท่านยังไม่ใช้ปัญญาอีกหรือเนี่ยเอาเราสอนเนี่ยเราคิดนะครับพี่น้องจะได้อ่านอ่านอิมานาก็ถ้ารู้ความหมายในอิมานมันเพิ่มะนะอย่างเมื่อกี้อิมามอ่านอ่ะสุราสุดท้ายอ่ะอักษรีนอามาละโอเดจอาิบา้างอ่ะต่อมาอายะาที่หกสิบแปด ฮบริว <وا> ังสุรอาลีฮกุมอิคุนตุม فاع ลีนกลูฮบริ ق ูวังสุรอาลลีฮกุมอิคุนตุม فاع ลินกลูพวกเขา มาถึงพวกน บ, บีบรอฮิมนั่นแหละญาติี่น้องเขากลุ่มของเขาเนี่ยกลูพูดในตับสินอธิบายว่าพูดเสียงดังตะโกนกอลูพวกเขาพูดเนี่ยมันจะพูดแตก็พูดเสียงดังแบบตะโกนตะโกนว่าไงนะหลังจากเห็นน บ, บีบรอฮีมโต้อตอบนะครับต่อหน้าคน ไม่รู้ว่ากี่แสนกี่ล้านวันนั้นน่ะใช่ไหมพอพูดแล้วเอาชนะไม่ได้น บ, บีบรอฮีมพูดวา่าถ้ากรรมที่มาจากอัลลอฮ์จริงๆอะนะพอพูดจบแล้วเนี่ยพูงนี้ว่าไงนะฮัลลิกูจงเผาเผาเลยฮัลลิกูเผาเลยเผาเผาเผาเผาอัลลอฮฺอักบัรเมืองไทยก็อเมชาด้วยเผาเลย ท่ uh u, านเรกูเผาไม่พผาเส้นท่านเวอร์เผาเลยเผาอะไรนะเผาอิบรอยฮีมนั่นแหละเมื่อตอบไม่ได้หมดความสามารถนี่เป็นวัฒนธรรมเป็นวัฒกรรมนะ่ะที่มันไหลจนแต่สมัยดูมาถึงสมัยเนี่ยปนุษย์มีมแค่นี้เมื่อสู้ไม่ได้ก็ต้องเผาฮาริกู uh จงอะไรนะจงเผา ท่านทั้งหลายจงเผาคู่มาถึงเขาเหมือนอิบราฮิมจงเผาอิบราฮิม <c oughs> แล้วก็ต่อมาก็วังซูรุอาลีฮะตะกุมและจงช่วยเหลือช่วยเหลือใครเนี่ยช่วยเหลือแก้แค้นแทนพระเจ้าของเราของท่านทั้งหลายเผ <c oughs> าอิบราฮิมเหมือนกับเป็นการแก้แค้นแทนพระเจ้าของเราอเผาอิบราฮิมซะ เหมือนกับเป็นการช่วยเหลือหรือแก้แค้นแทนพระเจ้าของท่านทั้งหลายเอาลอนเล่ามเลยเนี่ยเขาคิดอะไรเขาพูดยังไงเอาลอนเล่าใน ก, กระกุนอา่านหมดเลยแล้วต่อมาครับอิงกุนตุมฟะอิลีนถ้าหาพวกท่านทำจริงๆหรือทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็จะดีก็ทำอย่างนี้แหละจับเผา นี่แหละเป็นการทำที่เหมาะสมที่สุดแล้วอ้าวทีนี้มาดูเรื่องเรื่องเผาเผาอิบรอยีมเนี่ยเขาทำกันยังไงอัลลอฮอักกุบะนี่ตับเซตยิบนนกะเซตอธิบายดีนะไปหาฟืนตกลงว่าประชุมแล้วว่าเผากษัตร์นมรุตเป็นหัวหน้าใหญ่เลยครับนี่เล่นกับกษัตร์เลยนะนบีอิบรอยีเหมือนกับนบีมูซามูซาเล่นกับใคร ฟารโรอิบรอฮิมรุ่นกับกษัตริย์นุมรุนะ่นน่ะนบี ม, มุฮัมมัดน่ะขึ้นมียรอตุตีนี่ใช่ไหมละ่ะมีอุลมามะบางท่านอธิบายดีว่นานบีบรอฮิมก็ขึ้นมียรอตการขึ้นมียรอตของนบีอิบรอฮิมไฟไฟคือการโยนใส่ไฟคือการโยนใส่ไฟนั่นคือการเมียรอตของท่านนาบีบรอฮิมมัลลุยซัลลัมพอเข้าไปในไปเห็นอะไรเต็มไปหมดเลย น, นะ่ะ เหมือนขึ้นทอ้องฟ้าเหมือนกันน บ, บียูซุฟก่อนขึ้นเมอรอตอนถูกโยนลงไปไหนบอ่อน้าไนง่ะนี่ยอุลมามะอธิบายดีนะอัลฮัมดุลิลละน บ, บียูนุสถูกอะไรนะพาขึ้นเมอรอตอนปลากินไปอยู่ไหนท้องปลาแล้วก็ไม่ตายอ่ะนั่นคือการขึ้นขึ้นเมอรอดเลย อัลฮัมดุลิลละดังนั้นในอิสลามมีของดีหมดเลยนะครับเป็นข้อคิดข้อเตือนใจทั้งหมดเลยนะอ่ะทีนี้ประชุมกันหาหาฟืนเนี่ยประมาณเดือนหนึ่งอะไปหาฟืนกันมาเนี่ยไปยิบกันมาและมีผู้หญิงบางคนพูดอย่างงี้ถ้าหากฉันฉันโอ้อารองให้ฉันหายป่วยนะถ้าฉันหายป่วยฉันจะไปหาฟืนมาเผาอิบรอยีอารองเนี่ย งานใหญ่มากเลยงานวันนั้นะนะครับผู้หญิงป่วยนะสาบานนัจ๊ะบนว่าไงนะถ้าหากฉันป่วยหายป่วยฉันจะหาปืนมาเฝามาเผ า, า, าอิบราฮีมอัลลอฮฺบอกบัรแล้วก็มีอยู่คนหนึ่งคนที่เสนอว่าจะโยนอิบราฮีมลงไปในไฟยังไงเนี่ยคนนี้ชื่อเฮซันหรือไฮซันสักอย่างเนี่ยนะชื่อเฮซันขยันไปตั้งชื่อเลยนะ คนนี้วางแผนบอกว่าให้จับนบีอิบรอฮีมเนี่ยใส่ในในที่ในที่โยนเนี่ยเหมือนกับลูกปืนใช่ไหมเอาลูกปืนใส่แล้วก็ยิงยแบบทําเป็นหนังสติ๊กแล้วก็ใส่แล้วก็โยนไปอย่างนี้ผมเข้าไม่ได้พไฟมันร้อนมากอ่ะไอคนที่วางแผนจับอิบราฮีมใส่ในที่โยนลงไปในกองไฟนี่คนที่ความคิดดีมากข้าบอกว่าเป็นคนเป็นคนเคิร์ดเป็นคนเคิร์ดมาใช่อารับ ไม่ใช่ไม่ใช่เปอร์เซียแต่เป็นคนเคิดอยู่ในฉแถบประเทศอิรัก น, นี่ะความคิดความอ่านดีคนนี้คนนี้อัลลอฮ์โกรธมากเลยที่วางแผนจับอิบรอฮีมโยนใส่ไฟโดยใช้วิธีการโยนเนี่ยนะคนไม่ไม่ต้องไม่ต้องเดือดร้อนเยอะใช่ไหมอัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบคนคนนี้อัลลอฮ์ให้แผ่นดินสูบคนคนนี้เพราะวางแผนทําลายนาบีของอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาต้า ส่วนนุ่มรูดใครๆจิงชาใครๆจิงชายาง้ละโยนปุ๊ดเข้าไปส่วนนุ่มรูดเนี่ยวางแผนอย่างนาดูอลัลละ์ให้มาแรงเข้าไปในหูเนี่ยตายอ่ะอามาแลงลอัลลอฮ์ตัวเดียวนะเข้าไปในหูน่อยู่ไม่ได้รำคาญพูดตายเนี่ยเราทำลายหมดเลยจะนั่งที่น้องคนที่แอนตี้อิสลามต้องนึกตรงนี้เยอะๆนะ ไอ้เราจะตายในสภาพนะ่ะยังแม่ไม่รู้นะเราคือตายบนบนะนะบนโรงพยาบาลมีพยาบาลมีหมอเยอะบางคนตายนะ่ะแมลงเข้าหูอะ่ะ อ, อัลลอัฺว่าอย่าคิดว่าเป็นเรื่องดีนะไม่ดีนะตายที่ดีมันต้องตายมีกะรีมาตะฮีตายขณะที่กำลังสูดอยู่ต่ออัลลออมตายขณะที่อยู่ในสนามรมและมีเลือดออกเนี่ยอย่าไปคิดว่ามันเจ็บนะมดกัดเจ็บกว่า อินน บ, บีพูดเองนะคนที่ตายชฉียดเนี่ยนะมดกัดเจ็บกว่าแต่ภาพที่เห็นโอโลโหมือนมันทรมานจริงๆแต่นั่นแหละเป็นชาวสวรรค์ทั้งหมดอานา บ, บีอิบรอฮีมเนี่ย <c oughs> ตอนที่โยนเนี่ยตอนโยนใส่ไรนะั่นตะกี้ท่านว่าไงนะใส่ชิงชาแล้วนะโยนไปนะระหว่างบินอยู่ในอากาศเนี่ยยิบรีนมาถามให้ฉันช่วยไหม ก็เรียกถาว่าถ้าท่านฉันไม่เอาอัลลอฮ์คุณผูายนี่บินอยู่ในอากาศเนี่ยยังไม่ถึงไฟอ่ะนะยิบรีนมาถามว่าให้ฉันช่วยอะไรไหมอละลกาฮะจ์ะในตับซีอิบโนกะซีตัดิบาดีปะกอละอะลกาฮะจ์ปะกอละอัล ม, มาอีไลก์ฟะละถ้าขอจากท่านฉันไม่เอาว่าอัล ม, มามมนอัลลอฮ์ฟะบาละแต่ขอจากอัลลอฮ์ฉันเอานั่น إ ي م านขนาดไหนอ่ะ อิมากขนาดไหนก็พี่น้องอัลลอ์เราในแค่เจียววเขาวให้ก็ได้ <c oughs> แต่นีขนาดบินอยู่ในอากาศที่อัลลอฮ์อักบะด์ยิบรีนมาถามว่าอัละกาฮยาท่านมีอะไรให้ฉันช่วยไหมกบอกว่าอา ม, มาอีไลกะฟะลาละถ้าขอจากฉ่านฉันไม่เอาถ้ามีอัลลอฮ์สิเอาอัลลอฮ์อัลกบะด์อัลลอฮ์สั่งเลยไง อ๋อเราสั่งสั่งว่าไงครับอ่ดูต่ออายที่กสก้ากุลนัยนารุคุนีบัดดูวะ س ันอลาอิบรอฮมอัลอลลอฮฺอัลลอรฺอัลลอฮฺอัลลออบลลอลัอลออฮ <Allah> Akbar. อัลลอฮนะฺอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮอัลลอฮอัลอฮฺอัาลอฮฺอัลฮอัลลอฮฺอมลลอฮฺมัมลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอันล อ, อาฺอัลลออัลลอฮฺอัล้อฮฺอัลลอลลอฮฺอัลลอฮฺัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮอลลอฮกัลลอรฺอัลลาฮฺออลอฮฺัลลอฮัลลอฮฺลอออัลลัล อัลลอฮฺอัลบาตแห่งยังครับถ้าอยู่กับอัลลอฮฺเนี่ยนะเรามีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าไม่เอาอัลลอฮฺเนี่ยนะขาดทุกสิ่งทุกอย่างเลยนี่ข้อนี้เป็นตัวอย่างกรณีตัวอย่างวันบีอิบรอฮิมรักอัลลอฮฺแล้วก็ศรัทธาต่ออัลลอฮฺไว้วางใจกับอัลลอฮฺเสร็จแล้วอัลลอฮฺว่าไงนะย่านาลไฟเอยไฟเป็นเพศหญิงนะกูนี่ จงอะไรนะบัดดันจงจงเย็นอัลลอฮฺอัลลอฮฺสั่ไฟว่าจงเย็นไม่ใช่เย็นอย่างเดียวนะอัลลอฮฺท่านอิบนาบาสพูดบอกว่าถ้าอัลลอฮฺไม่กล่าวคํา ว, ว่าซาลามันตามมาอีกนะบัดดันอย่างเดียวไม่ตามคําว่าซาลามันนะอาจจะตายก็ได้เพราะว่าเย็นอย่างเดียวโอกาสตายไม่แม่เย็นเป็นทาแข็งนะ อัลลอฮฺอักบารนี่ทำศิ์อธิบายีมากเลยนะฉะนั้นเล่าละอันอัลลอฮฺอัลลอฮฺว่าัลกาวว่ซาลามันถ้าอัลลอฮไม่กล่าวคาว่าซาลามันตามมาอีกคำหนึ่งซาลามเนี่ยแปลอะไรนะสันติหรือปลอดภัยถ้าไม่มีคานี้ตามมานะเย็นอย่างเดียวโอกาสละอาดีอิบรอฮิมบัดดวความความเย็นอาจจะเป็นอันตรายกับนบีอิบรอฮมได้ ที่ความรอบครอบของกุรานของอัลลาฮฺวาซาลามันใส่ตามมาอีกคำหนึง่งคือความปลอดภัยเย็นแล้วปลอดภัยัมดูลิลลาชนโน่เห็นไหมแต่บางคนขอดูอา์ไม่เป็นพวกเท่าเนี่ขอดูอา์ไม่เป็นชอบแต่งดูอา์กันเองมีอยู่คนหนึ่งแต่งแต่งดูอา์เองไปแต่งที่มักกังไม่เอาสุนานะนบีดูอา์ที่นาบีสอนเนี่ไม่เอา คือเขาไม่เข้าใจโุนา่านาบีนะว่าแต่งดัอาเองพออยู่ที่บ้านเนี่ยเดินทางไปทำพัดพอไปถึงที่มาการนะ์นั้นไม่สบายอยา่ารอให้ฉันหายป่วยนี่ให้หายเถอะแล้วก็ให้ไปเป็นที่เมืองไทยก่็แล้วกันนี่ขอเป็นเป ล, ล่าแล้วขอทําไมเลยให้หายเลวมาเป็นต่อที่เมืองไทยให้ไหม่มีขอไม่เป็นอะ่ะก็ชอ บ, ชอบแต่งตอาเองน่ะ อย่ารอให้ฉันหาจากการเจ็บไข้ในโปรที่มา ก, การ์เธอถ้าจะป่วยไปป่วยที่เมืองไทยเธอก็อหายดีมากกานะัน่ะทําพยาธิจบเรียบร้อยแล้วนั่งทึ้นเงบินกลับมาถึงบ้านไม่ถึงอาทิตย์เริ่มเป็นสามปีไม่หายคิดดูสิก็ขอตัวใครก็ตัวเองให้มาเป็นต่อที่เมืองไทยฉะนั้น <c oughs> นใ่งานดูอาในะพี่น้องอย่าแต่งเองนะต้องผ่านมาดีให้หมดฉะนั้นรอบบานาอาตีนาฟิดุนยาฮาซะนะ ว่ฟิลอาครีรอติฮัสานะว่ากีนาอาซาบันที่เป็นดุอาที่ควบคุมชีวิตเราหมดเลยนะอัลฮัมดุลิลละอย่าแต่งเองคุณน้องพอแต่งเองภาษาเราไม่ถึงลึกอะไรไม่รอบครอบอัลลอฮฺอักุบัตอาทีนี้ท่านอิบนอับบาสนะครับอา่าท่านนาบีบอกว่าได้อัลอลอฮฺอักบัต์ถ้าอาอัลลอไม่ใส่คำว่าซาลามันหลังจากบาดดันนะครับ นบีอิบราฮิมอาจจะมีอันตรายเพราะความเย็นของไฟก็ได้นะครับทีนี้สังเกตนะอาลาอิบราฮีมจับนบีอิบราฮิมคนเดียวนะไม่ใช่คนอื่นทั้งหมดนะสังเกตสังเกตนะวันนั้นเนี่ยไฟจะเย็นขนาดไหนก็ตามเฉพาะนาบีอิบราฮีมคนอื่นไม่กเกี่ยวอืมนีม่อัลลอ์จ่อจงเลยอาลาอิบราฮิมกับนบีอิบราฮิมคนเดียวเนี่ย นี่เราไม่รู้นอิบราฮิมอ่านอ่านคัรอ่านคงไม่ได้อ่านคัมภีรอัจฉริยะนะถ้ารู้คงดีใจจ้ะนะเอาล้อมีชื่อฉันะครับีก็อ่านด้วยอัลฮัมดุลิลละอ่านใหม่คุลนัยนารุกูนีบารดาวัสลามะอลอิบราฮมอัลลอฮอัลฮัมดุลิลลอามาดูนบีอิบรอฮิมหลังเขออกจากไฟแล้วคุยว่าอย่างไง ตักซีอิมของกักซีอธิบายบอกว่ามากุนตอัยยะมันวลายาลันนี่นะใช้ชีวิตอยู่ในกองไฟเนี่ยประมาณเจวันอัลลไม่ใช่ชมมงสองชั่วโมงนะทบแต่อัยยามอยู่เจวันร็จแล้วท่านพูดว่างไงนะชีวิตของฉันเจวันที่อยู่ในกองไฟเนี่ยอัตยาดีที่สุด สบายที่สุดมีความสุขที่สุดฉันเนี่ยต้องการนะอยากจะมีชีวิตชีวิตของฉันนะถ้าหากว่าอยากจะให้ชีวิตมันอยู่ในกองไฟเลยนี่นะมันมีแต่ความสุขความสุขความสุขไม่มีอะไรสุขถ้าอยู่ในกองไฟแล้วนี่ใครพูดนะอิบรอฮีมพูดเองหลังจะออกมาจากกองไฟแล้วเห็นไหมไปน้อง อัลลอฮฺอักบะดเนี่ยเราเชื่ออัลลอฮปฏิบัติตามละตามสุนนะบีพี่น้องอัลลอฮเวาพบกับความระบาก ค, คนอื่นมองดูเหมือนกับแย่แต่ที่ไหนได้อัลลอฮฺอัลกบมันสบายจริงๆยิ่งใหญ่จริงจฉะนั้นคนที่ตายชฉีดเนี่ยพรามองดูเป็นภาพนะอัลลอฮถูกระเบิดพึ่งกระจายไปหมดเลยแต่ที่ไหนได้ลองไปถามก็าจะเป็นไงเฮ้ยวสบายหน้าดูเลย เหมือนนบบรอฮีมเห็นไหมไปอยู่ในกองไฟกี่วันเจ็ดวันพอออกมาแล้วเนี่ยอัลลออักบัพูดว่าแกฉันอยากจะมีชีวิตอยู่เหมือนอยู่ในกองไฟเป็นชีวิตที่มีแต่ความสุขความสบายอัลฮัมดุลิลลาห์ิงใหญ่มากครับอัลฮัมดุลิล่ลาห์อักบันพินองนี่ไงผลจากการที่เราอมานต่ออัลล์เชื่อฟันอัลลอ์ุบฮานะฮูวตาแล้วอัลฮัมดุลิลเลาห์พนองอาต่อมาครับ ท้าวอันบีอิบราฮิมเป็นบุคคลตัวอย่างของเราใช่หรือไม่ใช่ใช่เอามาดูท่านทําอะไรบ้างถึงอัลลอฮฺได้พอใจถึงขนาดนี้เอามีภรรยาลูกอิสมาอินเอาไปว่าจินนครมักกะท้าวว่าเวไหมว่าเวครับเมียอยู่ทางลูกอยู่ทางพ่ออยู่ทางใช้มหมรอรักว่าแต่งงานอัลลอฮฺก็อยู่ห่างภรรยาห่างลูกว่าเวไหมว่าเวครับ นานๆไปเยี่ยมลูกทีหนึ่งนั่งคุยคนละภาษานั่ยน่ะน บ, บีบรหิมคุยภาษาหนึ่งอิสมาเอ ล, ลคุยอีกภาษาหนึ่งเวลาคุยต้องมีล่ามอ่ะคิดดูสิ <c oughs> นั่นเป็นชีวิตของนบีแล้วนบีอิบรอฮีมฝันว่างไงนะฝันว่าเชื่อลูกอัลลอฮ์ว่าอิสมาเอ ล, ลบอกเอาเลยพ่อทําตามที่พ่อฝันนั่นแหละเพราะความฝันของนบีคือเป็นอุบายทำอยู่ล่ะแต่ฝันเราต้องหารสามน่ะ มาจากไซตอนหนึ่งมาจากตัวเองสามมาจากอัลลอฮ์มาจากอัลลอฮ์าาออน่ะน้อยเพราะว่าเรามาได้ไม่ได้นอนตามสุนานะนาบีหนึ่ง น, า น, นา้ำนมามาได้อาบอนนอนอะ่ะเพราะมันติกมาจากแช่งอะ่ะนอนก็นอนเลยดูละครจบนอนเลยแต่ของสุนานะนบีต้องแปลงฟันก่อนอาบน้ํานมามาดก่อนตะปัดที่ตอนก่อนยกมือขึ้นเป่าก่อนแล้วก็อ่านอ่านสามกุ่ตามตัวอายะกลุ่นสีอามะตอสูต้องอ่านหมดนะ บางคนขี้เกียจโอ้เอาแค่นี้พอแล้วเราจะนอนจะมีบราการได้ไงแล้วฝันก็ฝันร้ายมาจากเตยตอนทั้งหมดถ้าหากว่าอ่านตามสุนัข น, นาบีสิอัลลออักบัดอย่าอายุหกสิบเจ็ดสิบเนี่ยสังเกตนะถ้าอ่านกุอ่านแล้วมาอ่านดูอรแล้วก็นอนแล้วนึกเนี่จะตื่นนมาแต่หัดยุดได้ทุกคืนนอกจากตื่นมาแล้วฉชีแล้วก็นอนต่อ น, นั่นแหละตื่นไม่ทีก็เจ็ดโมง แค่นั้นอายุเยอะอย่างเราเนี่ยนะต้องอะไรนะต้องเอาสุตนะาแนวดีมาใช้นะครับถ้าจะฝันก็ฝันดีตลอดอินชาอัลลอฮ์นะอัลลอมาอายที่เจสิวรอดูบิฮกอยดะ้าเจลนฮุลอัลรน ว่ารอดู bih kaidam فجعلناهُمُ الأَخْسَرِينَ อัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์ <ين> Allah, Allah, เล่านะเล่าว่าไงนะและพวกเขาปรารถนาที่จะวางแผนร้ายไก่ดันแปลว่าแผนร้ายนะครับพวกประชาชน คุณพ่อนบีอิบรอฮิมญาติพี่น้องรวมตัวกันวางแผนร้ายที่จะทำร้ายนบีอิบรอฮิมโดยการโยนใส่ไปในกองไฟแล้วเป็นไงครับฟาจัลนาหูมุลอัคซารีนแต่เรามาถึงอัลลอฮ์อ่านี่อัลลอฮ์เล่านะฟาจัลนาหูมุลอัคซารีนและเราเนี่ยนะ ได้ทานนะได้ทำให้พวกเขาเป็นผู้อักรรีแปลว่าสูญเสียหรือขาดทุนนะครับเป็นผู้สูญเสียอันยิ่งใหญ่คือวางแผนแล้วแต่ไม่สำเร็จโยนสายไฟแล้วไม่ไม่ไรนะไม่ตายเอาฟืนมากองเป็นเดือนเดือนกองไม่เหนื่อยไหมเหนื่อยแม้แต่ผู้หญิงป่วย สาบานว่าบนว่าถ้าหากฉันหายป่วยจะหาฟื้นเนี่ยเผานบีบรอฮีมวางแผนก็ถึงขนาดนี้โยนใส่ไปในไฟไม่สำเร็จโยนอะโยนได้แต่ไม่ไหมไม่ไ ม, ไมเพราะอาลัลลอสั่งไฟกูนนาอูกูนี้บรดันวาซาเลมันอาลาอิบรอฮิมอลัลลอเล่ามาอีกครั้งหนึ่งว่าพวกนี้วางแผนทำรายคนดีไม่สำเร็จเหมือนกัน ต้องการให้พวกเราอ่านอ่านกราุรานวันนี้ถ้าเราเป็นคนดีมีอีห ม, ม่านมีศาสนานะครับมีตักวาถ้าอยู่กับอัลลอ์ยืนพิงอัลลอ์เนี่ยนะอัลลอ์ไม่ให้เราต้องเป็นผู้ที่ขาดทุนอย่างแน่นอนครับนี่กำลังใจเต็มเลยนะพี่น้องเมื่อวานนี่มีคนโทรศัพท์มาเล่าอย่าบอกว่ามาจากจังหวัดไหนฉันนี่นะไม่ได้เรียนาศาสนาเลยนะ อบรมลูกฉันเนี่ยให้หลงดุลยาหมดเลยอ่ะแล้วลูกมันก็ทําสําเร็จมันก็นได้เมียสวยแต่นามาดไม่เป็นมันเหมือนที่ฉันนึกไปหมดเลยอ่ะรวยไหมผู้หญิงรวยสวยไหมสวยแต่วันนี้ฉันกุ้มใจที่วนดนะเพราะลูกลูกสะพ้ยแม่นามาดเสียใจมากเลยอาจารย์หลังจากมาดูทีวีสี่ช่องเนีโโ่ยเอออยู่ได้ยังไงเนะี่ยเป็นแขงได้ยังไง อยู่ในหมู่บ้านมุสลิมอย่างดีมีตองครูจเยอะแยะแต่ตัวเองไม่เอ า, าศาสนาเสียใจอ่ะอ้าวอาควาตเอาทีนี้มาดูกุณอ่านในยานีไปน้อง <c oughs> คนที่ขาดทุนทกี่อิหม่ามอ่านใช่ไหมต้องอสุดท้ายนะฮัลลุนับบิลกุมบิลอักษรีนาอาม่ลาอัลลาีน่ดัลลาซายุมฟิลฮะติดุนยามันอ่านบบนี้ใช่ไหม เอามาดูแกพกอธิบายว่าอักสารีนเหมือนกันอักสารีนอยู่ในอายานี้แปลว่าเป็นผู้ที่สูญเสียขาดทุนยิง่อาา ง, อ, าางอัอออลลอ์า ว, วางแผนซ่อนแผนเขาวางแผนทำลายอิบรอฮีมอยู่การโยนใส่ไฟแต่อัลลอฮ์ก็วางแผนซ่อนไม่ปีอันตรายดดนใดๆแกนบีอิบรอฮีมเพราะเรียกว่าทำแล้วขาดทุนยิง่งอักสารีในอายอื่นอธิบายอีกนะครับ คนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับยิ่งในโลกดุญยานี้ก็คือคนที่ดัลลาสะยูหุมฟิลไฮติดดุญยาคนที่พยายามตะเกียบตะกายนะครับหาชีวิตดุญยาคิดว่ามันแจ๋วมีอยู่สี่เรื่องด้วยกันหาดุญยามีอยู่สี่ี่ราการนะ 1. หาเงินสองหาชื่อเสียง สามหาตำแหน่งสี่หาเกียรติยศเนี่ยประเทศเอที่ทะเลาะ ก, กันวันนี้ทะเลาะ ก, กันสีรายการใช่หรือไม่ใช่ที่ ร, รารัฐธรรมนูญวันนี้ก็สีรายการนี่แหละใช่ไหมอาเซียนเขาไปมาดังเรายังร่างเลยรันธรรนยังไม่จบเลยอราจะจะปกครองกันยังไงดีเอารัฐธรรมนูญไหนมาปกครองเรื่องสีรายการแทวเลย นี่กูอ่านสอนนะใครก็ตามถ้าหลงอยู่กับสี่รายการนี้อักสรีนเขาคนนั้นแหละเป็นคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับเลยแล้วก็ยาสาบู่นะอันนักมอือโยเซนูนะสุนะเขาคิดว่าไอสีรายการนี้นะเป็นงานที่ประเสริฐแล้วหลงหมดเลยบลละหลงผิดทั้งหมดเลยครับเราห้มด้วยแล้วนี่เรามีทางออกของของชีวิตที่เรามองพี่น้องเราเล่นกันในนันนนกกทอมอ S <S สงสารนะนะสงสารปล่อยก็ไปปล่อยก็เชิญตามสบายใช่ไหมเดยลีลาเอาสรุปแจ้งก็คือว่าคนที่หลงคนที่ขาดทุนอย่างย่อยยับก็หมายถึงกลุ่มหนึ่ง ก, ก็คือกลุ่มที่ทำลายนาบีอิบราฮิไม่สำเร็จมันขาดทุนอย่างย่อยยับเป็นชาวนรกหมดแล้ววันนี้เหมือนกันคนที่จะขาดทุนอย่างย่อยยับ ไม่ทําเหมือนน บ, บีอิบราฮิมแต่ใช้ชีวิตอยู่บนดุลยานี้หาแค่สี่รายการอีมานอิสลามอิสติกอร์มาอัลลอฮฺารอยูลไม่หาเลยหาเฉพาะสี่รายการคิดว่าสี่รายการนี้เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดไม่ใช่อัลซารีเป็นงานที่ขาดทุนอย่างย่อย่น้องกระดูคุณอ่านนะนี่มันจะแต่งเองนะมันจะแต่งเองนะครับถ้าต่อมาอายาสุดท้ายเจ็สิบเอ็ وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ว al al ันัดใจนาฮูห ok ลุต้นอีลาล้อดิลที่บรักนาฟิฮะลิละเลมีนอัลลอฮฺอัลลอฮอัลลอฮมีชื่อนาบีอย่างน้อยสองชื่อในอายานี้วันัดใจน้าฮูแปลว่าเราได้ช่วยคูมาถึงอิบราฮีมเราได้ช่วยให้เขาปลอดภัย อลัลลอฮฺบังบารเห็นอย่างครับความสําเร็จของแต่ละคนแต่ละคนใครอยู่เบื้องหลังอลัลลอฮฺเราก็เหมือนกัน่ะวันนี้ที่มานั่งในมัสยิดได้เนี่ยใครให้อลัลลอฮฺบางทีมีบางทีไม่ไปฟังตัฟซิดเลยนอลัลลอฮฺเปิดใจภรรยาเตือนแล้วว่าพิงไปเหอะกลับมาสายๆก็ได้มาอาหารเช้า ว, วางเรียบร้อยนั่นอลัลลอฮฺช่วยอ่ะทำได้เลยเลย ได้ตื่นนอนนะมาซุบโบอัลลอ์ขับรถมากินเฉลิมเนี่ยอย่างน้อยสิบนาทีสิบห้านาทีใครช่วยเนี่ยอัลลอฮ์เอานาบีอิบราฮีมเนี่ยอัลลอฮ์ให้ช่วยนะครับปลอดภัยจากการไม่ถูกไฟไหมและยังไม่พออีกนะวาลูตอนอีมิอีมีอีกคนหนึ่งนบีอะไรนบรีลูทําไมเออสองสองชื่อในอายาเดียวอ่ะเพาะมาในสมัยเดียวกัน นบีลูตกับ น, นบีอิบรอฮีมาในสมัยเดียวกันมาสอศาสนาคนละจังหวัดคนละจังหวัดนบีลูตอยู่ที่เนี่ยเมืองเด็ซีปัจจุบันเนี่ยนั่นแหละนั่นแหละตรงนั้นแหละไปดูกันใช่ไหมไปดูแล้วใช่ไหมได้ข้อคิดอะไรบ้างอิมฮันต้องเพิ่มบางคนมาคุยอย่างเดียวเอาเก้าอี้ไปวางไปอ่านหนังสือพิมพ์เจ้าอี้ไม่โจมได้แค่นั้นเองแต่มุสลิมอิสลามต้องมองลึกกันนั้น ที่มันไม่จมเพราะอะไรข้างในมีอะไรอัลลอฮฺพิกแผ่นดินวันนั้นะนต้องนึกเยอะวานัดใจนะ้าฮูเราได้ช่วยให้นบีอิบรอฮีมแปดปลอดปลอดภัยแล้วใครอีกครับวะลูตอนและนบีซึ่งเป็นหลานของนบีอิบรอฮิมอ่าเป็นหลานเห็นไหมตระกูลเนี่ยอัลลอฮฺอักบะตระกูลนบีอิบรอฮิมเป็นตระกูลที่ดีหมด เพราะว่ามีลูกมีหลานเป็นนบีหมดเลยอ่ะเราก็ของเราเองติดยาหมดเลยเหมือนกันลูกหลานเราติดยาแบหมดอาล่ะโอนเราจะบินเลยไปน้องติดคิดไมคิดไมคิดหม่ถ้าเราเลี้ยงลูกไม่ไหวพี่น้องต้องขอดูอ่างต่ออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะฉันมีความสามารถเลี้ยงจะพ่อให้โตอย่างเดียวไอ้เรื่องอื่นอัลลอฮฺช่วยต้องพูดกับอัลลอฮฺแบบนี้ด้วยอัลลอฮฺจะฉันเลี้ยงลูกเรื่องกินจะอ้วน ได้เลยเกี่กิโลก็อ้วนได้แต่ว่าไอ้เรื่องอัลกฤฤฤีด้าเรื่องอีมานเรื่องศาสนาอาลัลลอฮ์จะช่วยด้วยต้องต้องขอครับนะ <c oughs> อาทีนี้ช่วยสองนบีนะนบีอิบรอฮิมกับนบีไรนะ้นะนบีลูนบีลูนกับนบีอลัลลอฮ์ส่งนบีลูนมาปราบเรื่องนี้นะเรื่องฮอร์โมนเซ็กชวลอย่างเดียวเลยแล้วก็เรื่องอีกอย่างหนึ่งเรื่องนี้เรื่อง <c oughs> มนมีสองไม่ไม่มีอยู่สองรายการนะหนึ่งฮอรโมเซ็กเกชวลอีรายการอะไรนะเอ่อเรื่องป้นป้นป้นสะดมอ่าป่นกันอะไรกันดีนหไหมรักขโมยกันมาสองเรื่องนะมาสอนสองเรื่องทรงนาบีมาสอนอ๋องานหนักหรือเบาเนี่ยบ้านหนักตัวครูเนี่ยเหนื่อยถ้าเป็นตัวครูตามนาบีจริงๆนเะหนื่อยนะไม่ใช่กินบุญอย่างเดียวนะ เราอักบัตถ้าเอาเป็นโตรูเป็นอลัลลอฮ์มตามที่นบีทํางานเนื่อยหมดเลยไม่มีใครสุขความความสบายนะอาทีนี้ให้อพยพเนี่ยจากประเทศอิรักเหตุที่เกิดเกิดประเทศอิรักนะนบีอิบรอฮีประเทศอิรักแล้วก็นบีลูดน่ยประเทศอะไรนะอะไรเมืองอะไรนะเมืองโซดัมอะไรนะโซดัมใช่มหมโซได S <S <an> อ่าเจ็ดสีนี่แหละ น, น, น, น, น่นน่ะออกมานาบีสองคนออกจากเมืองที่เป็นอันต ร, รายเพราะผู้คนในเมืองนั้นทําความชั่วอัลลอฮ์ให้สองนบีเนี่ยออกมาจากเมืองนั้นเสร็จแล้วมาอยู่ที่เมืองเนี่ยที่เมืองป ร, ประเทศชามประเทศเนี่ยประเทศที่อลาสกีในปัจจุบันเนี่ยอัานานยลลอฮ์อัลลอฮ์รับรองนะเบบก์ อัลอาดิลลาตีบารอกนามาอยู่ในประเทศซีเรียเป็นอั ด, ดูเป็นแผ่นดินที่บารอกนาเราได้ให้ความจำเริญบรารักัดนี่นะพวกพวกซีเรียมันภูมิใจนะฉันเนี่ยอยู่ในประเทศที่อัลลอฮ์กล่าววันกัมพีคุรานไม่เบาควาประเทศตรงนี้จะเป็นจะเป็นทุ่ง ม, มาชัดในวันอาคิรักอ่า<น> อัครอมนคุยกับผมผมน่ยมีมีที่เป็นเจ้าของที่อยู่นิดนึงคนไที่บ้านแคล้วแต่ตัวเองมาอยู่เมืองไทยถูกไล่ก็มีที่อยู่หน่อยเอ ง, เองพี่น้องครับเอาละไอ้ที่ตรงนั้นนะนะไม่ต้องมีโฉนดของเราเราก็ไปยืนได้เพราะอาลัลลอฮฺจัดไว้แล้วไม่มีปัญหานะครับส่วนลงสถานที่ที่ที่มีบรารักัดยะฮูดีมันอ่านกุงอ่านด้วยนะมันก็เดินตามมันฉันจะต้องยุดิให้หมดสถานที่ที่มีบรารักัด ใช่หรือไม่ใช่อันกุงอานเนี่ยแต่เราไม่ได้คิดและอีกและ อ, อ, อ, อ, อีกอีกที่หนึ่งนะที่ที่ที่ที่ที่ทมีบระกัศประเทศไหนรู้ไหมที่นบีขึ้นมีอารอดไปแลว้วก็ไปลงที่อะไรนะไบตุลมักดิสนาตรงนั้นนะ่ะอัลอักซอ่นะบริเวณมัส j ิ d อัลอักซอทั้งหมดบารอกนาฮาวเลหูลินูรียหูมินอายาตินะ บริเวณใกล้ากาจูนั้นเป็นที่ที่มีบรารักัดหมดเลยมีบรารักัดมีสองการณ์หนึ่งมีกูโบนอาบีสองมีต้นไม้อากาศดีเขียวชอุอมผลไม้อุดมสมบูรณ์นีอออ่อัลลอฮให้อะยะฮูดีว่าฉันต้องยึดเพราะอัลลอ์ว่าเป็นที่ที่มีบรารักัดยึดสีดรียใช่ ไ, ไหมซีเรียยึดแล้วใช่ไหมอ่าชิาอาไปแล้ว มีอ่าเาไม่ได้อ่านถูกเราอ่านมอนกันเอาเป็นผลบุญอัลลอ์เขาอ่านปฏิบัติตามอุรานฉะนั้นอะไรแผ่นดินใดที่อัลลอฮ์พูดว่าแผ่นดินนั้นมีบริกัศยะฮูดีจะเข้าไปยึดยึดยดหมดเลยแต่พวกเราก็ใจดีเอาไปเลยไปเลยไปเลยเอาไปเลยเอาพี่น้องตกลงว่าอายานี้อัลลอ์เล่านะเล่าว่า นบีอัลลอฮ์ให้นบีอิบราฮิมปลอดภัยนบีลูตปลอดภัยนะครับจากการถูกโยนใส่ไฟนบีลูตก็เหมือนกันไม่อะไรนะเมียอนบีลูตตายใช่ไหมตายนาบีลูตไม่ตายเพราะออกมาก่อนเชื่อคําสั่งอัลลอฮ์อัลลอฮ์ที่เป็นประวัติที่ทุกคนจะต้องจดจํานะ อาตอมากจบแล้วครับวันัจจานาหูวลูปอนอิลลอัลดิลลตีบารักนาฟิฮาลิลาลมีและเราได้ช่วยเหลือนะครับนบีอิบราฮีมและนบีอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นหลานของนบีอิบราฮีมเองชื่อลูปาะทำงานศาสนากันหมดเลยคนเหล่านี้นะครับ อิลติให้อพยพไปอยู่ในดินแดงที่เราได้ประทานความสมบูรณ์นะครับบราระกัดคือมีความสมบูรณ์อุดมสมบูรณ์มีความจำเริญฟีฮาในแผ่นดินนั้นลินลลาวมีสำหรับนาน า, นาชาติทั้งหลายจะได้ไปเห็นว่าอัลลอ์มีความสามารถจะให้แผ่นดินไหนมีบราระกัดและไม่มีบรารกัก็ได้สิ่งที่จะอธิบาย เราอยากให้บ้านเรามีบารากัศไหมอ่าอยู่ตรงนี้อ่านคุรานตรงนี้อัลลอฮ์ทำให้แผ่นดินตรงนั้นมีบราระกัดทำให้อัลอัคซอมีบารากัตทีนี้อัลลอท์ต้องการจะเล่าว่าท่านอยากให้บ้านของท่านมีบราระกัดไหมล่ะถ้าอยากให้บ้านท่านมีบารากัดให้ทำสองอย่างอ่ามานุวัตตะเาอ่ามีสองอย่างเองใช่คุณอ่านตรงไหนครับ ว่าเลว์อันอัเหลล์อัลกุรอฮ์อัมาวตอ عليهم บรากัดมินอัลอับนัสมาถ้าาชาวบ้านทั่วทั่วไปนี่นะในคอนเท็คกาดีที่ไหนก็ตามนะถ้าคนในหมู่บ้านเนี่ยเรียนเรื่องอีมานแล้วก็มีตักว่าต่ออัลลอฮ์พยาเราก็เหมือนกันมีอีมานและมีตกว่าลูกมีอีมานมีมีตว่าแผ่นดินตรงนั้นอัลล์จะให้มีบรากั นี่เป็นข้อเตือนใจครบพี่น้องฉะนั้นอย่าทรายศต่ออัลลอฮ์ต้องการจะให้บ้านมีบราระกัดทำไงอามานูวัตตะเขาและฟะตานะอัลลอฮ์จะเปิดบราระกัดแหมชั้นฟ้าและแผ่นดินให้ทำไมพี่น้องกรนี้บ้านมีบร า, บาระกัดแบบไหนาสามีภรรยาไม่ทะเลาะกันลูกก็แม่ให้ติดยาเสพติดแล้วก็บุรีย่อก็ตองไใบซูบนะ มากยอย่าดูละครเยอะนะดูทีวีศาสนาเยอะๆหน่อยเจอคนอาสินค้าก็เปลี่ยนช่องอื่นบ้างก็ได้ใช่ไหมถ้าไม่ชอบสินค้าไหมเปลี่ยนเปลี่ยนเปี่ยนฉะนั้นถ้าต้องการให้บ้านมีบรรยากัศเพราะอัลลอฮฺพูดเองนะเราทําไม่สถานที่เมืองนั้นมีบรรยากาศถ้าจะให้บ้านมีบรรยากัศทําได้ไหมได้แต่มีเงื่อนไขต้องอ่ามานุวัตตะเอาในอายะอื่นนะ ถ้าขาการจะให้คนในบ้านมีอีหมานมีตักว่าถามว่ามีอีหมานต้องเรียนหรือไม่เรียนต้องเรียนหยุดมีตักว่าก็ต้องประคองตัวเองอย่าทำบาดอย่าทำชั่วอ๋อมีลูกมีหลานก็ต้องให้มีศาสนานะ่ะจะส่งเรียนสืน่อหนาก็ส่งไปแต่ว่าลูกต้องมีศาสนาต้องมีอีหม า, จานจะนี้อายุกี่ขวบนะ่ะต้องให้มีศาสนานะไปเรื่อยเรื่อยจนกว่าอายุสี่สิบปีอ๋ลเพราะสี่สิบปีปั๊บเนี่ย ความสมบูรณ์เนี่ยมันจะมีพร้อมเนี่ยจะปกครองใครจะพัฒนาอะไรถ้าอายุสี่สิบเนี่ยอรอบัณฑิตรีกรเนี่ยตอนอายุเจ็ดขวบขึ้นมาต้องอบรมต้องเรียนาศาสนาเรียนมารื่อสามัญก็เรียนได้แต่มีาศาสนาควบคู่กันพออายุสี่สิบเป็นเลดเดอร์แล้วเป็นผู้นำแล้วเป็นอิหม่ามแล้วเป็นหมูบ้าเป็นอบจอบจแล้วาศาสนามีอีห ม, ม, ม่านมีอะไรมีเอาทำดูดีละพี่น้องเอาสรุป แผ่นดินอลัลลอฮ์สามารถทําให้มีบราระกัดได้ถ้าหากเราต้องการจะให้บ้านเรามีบราระกัดทำไงเราต้องทําเองและอลัลลอฮ์จะเปิดที่หลังใช่ไม่ใช่ถ้าเราไม่ทำไม่เปลี่ยนแปลงอลัลลอฮ์จะเปลี่ยนแปล ง, ลปลปลงให้ไหมอลัลลอฮ์ไม่เปลี่ยนดังนั้นคุณอ่านสั่งไงนะอินนัลลอฮ์ฮะลายูไบยูรุมาบิกวมินฮัดะยูไบยิรุมาบิอัลฟุซิฮิมถ้าต้องการจะเปลี่ยนแปลงบ้านเราหมู่บ้านเร า, า, เร า, า, เราให้มีบราระกัดมีความจเจริญ เราต้องเปลี่ยนแปลงคนในบู่์บาทเราให้มีศาสนาการมีศาสนาอย่ามีศาสนาตามประเพณีไม่ได้เป็ดแค่ตามประเพณีไม่ใช่ฉันเป็นมุสลิมตามคำสั่งของอัลลอฮ์เราเราสูลจะกินจะเดินจะนั่งต้อง น, นึกถึงเข้ามัสยิดสุนนะนบีสอนยังไงไม่ใช่แชร์สอนยังไงอย่านึกถึงแชร์ต้อง น, นึกถึงสุนนะนบีนะครับ อัคราของท่านนบีมากกว่าประเพณีอาดัตที่ชาวบ้านปฏิบัตินะครับอานี้นองครับสรุปง่ายๆก็คือต้องการจะให้บ้านเรามีบารักัดภรรยามีศาสนาลูกมีศาสนาเรามีศาสนาอิชาอัลลอฮฺบารักัในบ้านท่านมีแน่นอนครับ